หก <Book> <69 S 3> สิบเก้าตัวบรต้องการอยากยี่เจรี่งยีริยงดฉันต้องการเตียง สปกรซิชิชัปกรซิชดิฉันอยากนอนสซิชเยสวยซิชเยสยที่นี่มีเตียงไหมมิชปกรจตมิปชปะกรเจต ดิฉันต้องการโคมไฟเซลัมปอซิชิเซลัมปซิชิดิฉันอยากอ่านหนังสือเซเซอยุเซเซอยุที่นี่มีโคมไฟไหมมิชลัมปามิช l a m p e ต t ดิฉันต้องการโทรศัพท์เซทีลฟนซชิเทีลฟฟอนซิชิจารดิฉันอยากโทรศัพท์เทีลฟฟอนเจสิเทวะยุยเทีลฟฟอนเจสิเทวะยุย ที่นี่มีโทรศัพท์ไหมไมิชทเลฟนชมิมชทเลฟอนดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปเซคไคม์ราซิชิจอกคมซชิจอดิฉันอยากถ่ายรูปเซ ส, สุรัตเทสคุสไอยู ซที่วุยที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมไมิชคามิราชิอามิชคามรชิอดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ซคอมพิวเตอร์ซิชิชอซคอมพิวเตอร์ซิชิช ดิฉันอยากส่งอีเมลเซอีเมลสะฮะสวอยอที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมมิชคอมพิวเตอร์ชิอมอาดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น เซรูจเกซิชิชอซ์รูจกซิชิอชอที่ฉันอยากเขียนอะไรหน่อยเซซูสรสต์สยอซ์ซยที่นี่มีกระดาษและปากกาไหมมิชทัพปรรูจกร์ชิเอคามิชทปร Ручка Р, щ -э х а